ท่านอาจารย์มั่นท่านพูดท่านพูดเสมอเวลาเทพไปสัมผัสหรือพูดไปสัมผัสท่านจะนําออกมาพูดเสมอทั้งที่เขียนไม่ไห้ในมตุตโตไทยก็ดูเหมือนมีแต่ท่านท่านไม่แยกท่านพูดรวมๆ ม, มาไว้ไม่เวลาเราเขียนเราถึงแยกออก คือผู้เขีย น, นมันไม่ไม่แยกกัมุตต์ไทยเราไม่แยกท่านพูดบางครั้งท่านก็ไม่แยกแต่ก็ทราบได้เพราะยกต้นขึ้นมาแล้วกิงก้านก็มาด้วยกันาธรรมะของพระพุทธเจ้าตามธรรมชาติแล้วเป็นของบริสุทธิ์แต่เมื่ออาศัยมาถึงสถิดอยูย่ในปุถุชนก็กลายเป็นธรรมะปลอมนะ เมื่อถึงที่ติดอยู่ในธรตะยะบุคคลจึงเป็ น, นธรรมจริงธรรมะแท้ที่ท่านพูดรวมๆเอาไว้คำว่าอาริยบุคคลมีหลายชั้นกัโสดาก็เป็นอระิยะบุคคลขั้นต้นสกิทานาคาอรอรหิตเป็นสี่ เมื่อแยกแล้วก็พระโสดาผู้บรรลุพระโสดาบรรธรรมะในขั้นพระโสดาบรรก็เป็นธรรมะอิงธรรมะบริสุทธิ์สำหรับพระโสดาแต่สกิทาคาอนาคาอารหันในธรรมขั้นเหล่านี้พระโสดางต้องปรอมแม้จะจดจําได้รู้แนวทางที่ปฏิบัติ อยู่ก็าตามก็ยังปลอมอยู่ทั้งรู้ถ้าสกิทาก็ยังปรอมอยู่ในขั้นอนนาคาอรหันต์ถ้าอนาคายัางปรอมอยู่ในขั้นอรหัตธรรมจนกว่าว่าถึงบรรลุถึงขั้นอรหัตต ภ, ภูมิแล้วนั่นแหละทำสมบูรณ์เต็มส่วนภายใน จ, ใจิตใจไม่มีปลอมเลย บางนายก็ค้านมาทำของพระพุทธเจ้าซึ่งเป็นของจริงเป็นของมือสุดอยู่ที่ไหนต้องมือสุดเช่นเดยากบทองคําแม้จะตกลงในตมในโคลนก็ต้องเป็นทองคำจะไปตมในโทลนไปไม่ได้ถ้าไม่ได้บอกเหมือนทองคําก็ก็ต้องเป็นทองคําแต่ว่าเราจะปฏิเสธได้ยังไงว่าไม่มีตมมีโคลนติดเปื้อนทองคํานั้นนะ ทองคำที่มาได้ตกในตมในโคลนกับทองคําที่ตกในตมในโคลนมันต่างกันอย่างหรือไม่มันต่างกันน่ะอันหนึ่งทองคําที่บริสุทธิ์ล้วนๆอันหนึ่งทองคําที่เตลไปได้วยตมด้วยโคลนเราจะว่ามันบริสุทธิ์ได้ยังไงนานถ้าเราจะแยกออกมาพูดอาการที่สองประเช่นเดียวกับอาหารของเราที่ควรจะ ก, การรับทานแล้วหยิบยกขึ้นมาจากภาชนะกําลังจะรับทานแต่ทัดตกจากมือลงไป ถูกสิ่งโซกโปกไปเสียอาหารแม้จะควรจากการรับทานก็ไม่ควรเพราะมันเปื้อนโซกโปกไปหมดแล้วนั่นหรือภาชนะที่เปื้อนอาหารจะสะอาดอย่างไรก็ตามเมื่อเข้ามาสู่ภาชนะที่เปื้อนแล้วอาหารนั้นสิ่งนั้นต้องเปื้อนไปตามแล้วมันบริสุทธิ์ได้อย่างไรเมื่อมันเจือด้วยของเปื้อนอย่เช่นนั้นของโซกโปะอย่เช่นนั้นนี่ธรรมะของวิเบกยาก็เช่นเดียวกันภาชนะก็หมายถึงใจ มีใจเท่านั้นเป็นคู่ควรจะทำทีนี้ใจยังมีความสกรปรกมากน้อยเพียงไรธรรมที่เข้ามาเกี่ยวข้องก็ต้องมีความสกรปรกไปด้วยอท่านเรียกว่าปลอมหมายเงินไม่บริสุทธิ์แท้ <c oughs> ทีนี้แยกจากนั้นมาเข็นมาดูในคำภี์ใบ บ, บ, บ, บลานตามตำรับตำลาก็เป็นธรรมแต่เราไปเรียนมาจากนั้นมาจดมาจําหัวใจของเราทั้งหมดเต็มไปด้วยกิเลส ธรรมที่เข้ามาสู่จิตใจของเราก็การเดินธรรมตดธรรมจาไปเสียไม่ใช่ธรรมจริงงน่นหากว่าเป็นธรรมจริงแล้วต่างคนต่างเรียนมาได้ด้วยกันทําไมกิเลสจริงไม่หมดจากหัวใจเป็นใจอยู่ทั้งๆที่เรียนรู้ทุกสิ่งทุกอย่างจนกระทัง่ทงถึงนิพพานแต่ใจก็ยังไม่พ้นจากความมีกิเลสติดเต็มตัวนมันตอมอย่างนี้เองหากว่าเราได้นําธรรมะของพระพุทธเจ้า ทั้งด้านปริยัตยิและด้านปฏิบัติออกแสดงด้วยการประพฤติปฏิบัติตามที่ท่านสอนไว้โดยถูกต้องแล้วธรรมะจะจริงไปตั้งแต่ความจดจำเพราะจดจำเพื่อจะเป็นแบบแปลงแผนถังจริงให้จดจาศัพท์จะว่าจดจำแล้วไม่ทาตามแบบแปลงแผนถังเช่นเดียวกับบ้านัลังจะมีกี่แปนก็ตามมันไม่สาเร็จ เป็นบ้านเป็นเดือนขึ้นมาได้ก็มีแต่แปลนเท่านั้นี่ร้อยี่พันแปลนก็ เ, เป็นแต่แปลนเรียกบ้านไม่ได้จนกว่าผู้นั้นจะถูกสร้างบ้านหลังนั้นนันขึ้นมาตามแปลนนั้นนั้นให้สมบูรณ์แบบตามแปลนแล้วถึงจะเรียกว่าบ้านนั้นสมบูรณ์ได้การจดจำเพื่อจะไปพิสปิบัติเป็นอีอย่างการจดจา เ, เฉยๆเป็นอีอย่าง แต่ยังไงก็ไม่พ้นจากการปฏิบัติต้องในปฏิบัติการเมื่อปฏิบัติแล้วปฏิเวทาก็คือความรู้แจ้งแทงตลอดไม่ต้องสงสัยก็ต้องเติมไปโดยลำดับต า, ตามความสามารถแห่งการปฏิบัติหากว่าเราพูดเราได้หยิบยกตริยัติและปฏิบัติขึ้นเป็นความจําเป็นเป็นความสําคัญภายในตัวสมกับศาสนาเป็นของสําคัญแล้ว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 ทีนี้ก็ทําให้เป็นการแสดงแทงตาแทงใจของคนอื่นสะดุดใจคนอื่นจะเหมือนว่าทําไมพระพูดเราว่าถือกุศลศาสนาแล้วทําไมกลับเป็นอย่างนั้นอย่างนั้นมันถูกเรื่องของเขาที่เขาดาเนินเราหาที่ค้านเขาไม่ได้ส่วนไหนที่ผิดเราต้องยอม ร, บรับเพราะหากแนะนําการปฏิบัติออกเป็นคู่เคียงกลับไปแยกแล้วผลจะเป็นาการกด จึงได้ที่ปรากฏขึ้นด้วยใจจากการปฏิบัติได้รู้จริงเห็นจริงตามขั้นตามภูมิของตนแล้วจะพูดได้โดยถูกต้องตามหลักแห่งการปฏิบัติที่ได้รู้ได้เห็นมาทั้นนั้นๆไม่สงสัยแล้วการพูดก er ็มีความอาจอาจหาด้วยเพราะรู้จริงๆเห็นจริงๆแต่เทโลกทานที่ไหนไม่มีทางจะโลกทานเพราะไม่ได้รู้ได้ครั้งไม่ได้ไปยืนมองถ่ายมาพูด เอาออกจากสิ่งที่รู้ที่เป็นที่เห็นที่เข้าใจแล้วมาพูดจะผิดไปที่ตรงไหนแล้วจะสะทกสะท้านหาอะไรเพราะต่างคนต่างหาความจริงอยู่แล้วเราก็รู้ความจริงต า, งามกาลังของเราพูดออกตามความสามารถของตนจะมีความสะทกสะท้านที่ไหนไม่มีพระพุทธเจ้าก็ไม่เคยทราบว่าพราะองค์ไปยันเรื่องพระนิพพานมาจากไหนนักมีองค์แปด มัจฉิมาปฏิบาาัติภาก็ไม่ทรงเรียนมาจากที่ไหนองคุดค้นขึ้นตามกําลังความสามารถของโเป็นประทั่งได้ทรงรู้ทรงเห็นเป็นที่พอพระไทย่านี้นำมาสอนโลกได้ทั้งนั้นใครจะไปสามารถยิ่งกว่าพระพุทธเจ้าทั้งที่ไม่ทรงเรียนมาจากไหนยังเป็นสัพพันูรู้โดยพระองค์เองด้วย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 ที่พระพุทธเจ้าทรงสอนไว้แล้วนั้นเป็นสวดคายธรรมด้วยกันทั้งหมดไม่มีทางที่จะผิดแวะไปเป็นความผิดนอกจากผู้ปฏิบัติจะเป็นความผิดโดยําพังตนเองแล้วปฏิบัติไปนั้นมีทางผิดได้เพราะปีนเกี่ยวกับความปีนคือธรรมที่พระองค์สอนไว้าาสนาธรรมของพระพุทธเจ้าหากเป็นดังสินค้าต่างๆนี้ประกาบท้าทายได้เลย ไม่ว่าจะนำไปสู่ตลาดใดที่มีวัตถุสินอื่ น, นสินค้าอื่นอยู่มากมายกลายกองพอนำสินค้าคือสาธาธรรมนี้ออกไปถึงจุดใดจุดนั้นตลาดล้มไปหมดเพราะคนหาของดีอยู่แล้วจะไหวัหมทำไมจะไม่ทราบแม้แต่เด็กยังทราบผู้ใหญ่ทำไมจะไม่ทราบแต่นี่ไม่ใช่วัตถุ ที่จะออกประกาศค้าขายหรแข่งขันกันได้อย่างนั้นนอกจากโดยเหตุโดยผลโดยหลักคําจริงที่มีอยู่แล้วผู้ปฏิบัติจะเพิงรู้เพิงเห็นโดยลําทางตนเองเท้งนั้นและผู้ที่รู้ที่เห็นก็ไม่ใช่เห็นเพื่อจะสั่งสมกิเลสเพื่อจะสั่งสมผมการโอ้อวดการเดือหยิงจองหองขึ้นสําหรับตัวซึ่งเป็นเรื่องของกิเลสท่านผู้ใดมีความรู้ความเห็นมากมาเพียงไหลก็เป็น การถอดถอนกิเลสซึ่งเป็นภาสิทิ์แต่ตนและผู้อื่นออกได้มากน้อยเช่นนั้นแล้วไหนจะไปเจ้ายวโอ้เทียวอวดซึ่งเป็นการส่งเสริมกิเลสขึ้นแล้วตอนไม่สมกับว่าปฏิบัติเพื่อแก้เพื่อถอดถอนกิเลส อ, อีกด้วยด้วยเห็นนี้เองผู้ปฏิบัติเป็นธรรมรู้มากรู้น้อยเพียงไรท่านจึงเป็นไปด้วยความสงบ ควรจะพูดหนักเบาบ้างน้อยทั้งกับพูดไปเสียไม่ควรพูดก็ไม่หนักอยู่ไปแบบสมณะคือสงบด้วยเหตุด้วยผลพูดก็พูดด้วยเหตุโดยผลเฮียที่ท่านว่าสมนานั้นจะรัดสนังเอตัมมังคารมุตตังการเห็นสมณะพูดสงบจากบาปเป็นมงคลอันสูงสุด สมณะตั้งตสมณะที่หนึ่งที่สองที่สามที่สี่ขึ้นไปหน้าที่หนึ่งพระโสดาที่สองสกิทาคาอันนาคาอะระหัดเป็นเรียกว่าสมณะเป็นขั้นขั้นถ้าเราพูดในเป็นบุคลาทิฏฐานหมายถึงท่านผู้เป็นสมณะตามขั้นภูมิแห่งธรรมนั้นๆเช่นพระโสดาพระสกิทาพระอนาคาพระอ ร, าาระหันต์ก็เป็นมงคลแก่ผู้ได้เห็นได้ยินได้กราบไหว้บูชาท่านน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 องไหนท่านเป็นพระโสดาองคไหนท่านเป็นสกิทาองคไหนท่านเป็นพระอนาคาคารองไหนท่านเป็นประธานองคไหนท่านก็มีมีเบอร์เหมือนเบอร์ในร้อยในพันจะรู้ท่านได้ยางไงถ้าท่านเป็นพระโสดาสกิทาคณาคาร์กินจะไม่มีทางสร้างท่านได้ด้วยอากาศวิริยาที่ท่านจะสมาแสดงท่านสมาแสดงออกท่าออกทางดังที่โลกสกปรกทำกันอยนี้ท่านไม่ทําท่านทําไม่ลงไม่ใช่วิสัยที่ท่านผู้สะอาดพู มุ่งต่ออัตถธรรมผู้เป็นอัตเป็นธรรมแล้วจะทำได้อย่างนัน้นการที่จะหาสมณะอย่างนี้มากราบมาไหว้มันไกลไปมันดูห่างเฮิร์ไม่ทาบจะเด้ดพบตาท่านเมื่อไหร่โอวาดอันใดท่านสอนบุคคลลงเพื่อให้บรรลุถึงสมณะที่หนึ่งที่สองที่สามนำโอวาดนั้นเข้ามา ปฏิบัติต่อตอนของเราเพื่อให้สําเร็จเป็นสมณะที่หนึ่งที่สองที่สามที่สี่ขึ้นมาภานานจิตใจของเรานี้เป็นความเหมาะสมอย่างยิ่งเรียกว่าจับถูกตัวเลยไม่ต้องไปตามร่องตามรอยหรือตะคุบเงาที่ไหนให้เขียเว้ล้ำไมลา่อาอ้าวเราพบกูรูวาจาผู้ท่านเป็นอดเป็นธรรมผู้มีกายวาจาใจาสมำเร็จท่านเป็นสมณะที่หนึ่งที่สองที่สามก็เป็นการดีเมื่อพบแล้วเราอยากให้พลาดจากสมณะที่หนึ่งที่สองที่สามซึ่งจะ เกิดขึ้นได้ภานในจิตใจของเราด้วยการปฏิบัติของเราที่พระพุทธเจ้าไม่ทรงปูขาดแต่ตุูได้รับผลโดยทั่วถึงการเมื่อเหตุสมบูรณ์แล้วนี่แน่นอนน้อมเข้ามาหาเราโสตตาเข้าใจว่ากระแสกระแสพลันพานพาถึงถึงเราก็จะไปฆ่ากไปหมดแล้วกระแสพุทธดาเป็นยังไงกระแสกว้างแค่ลึกตื้นยาวละเอียดขนาดไหนจะฆ่าไปนั้นเนี่ยเป็นโลกไปอ โสตะแต่ว่ากระแสพูดถึงกระแสพาดถึงขอให้มีความร่มเย็นภายในจิตใจเถอะแจะกระแสไม่กระแสก็ตามจิตดวงนี้เองจะเป็นพระนิพานไม่ใช่อะไรแต่เป็นพริพานบ้านเป็นบ้านเดือนเป็นเดือนดินเป็นดินน้ำเป็นน้ำลมเป็นลมไฟเป็นไฟดินฟ้าอากาศเป็นแต่ละชิ้นอันของเขาไม่สามารถที่จะมาปรับปรุงให้เป็นพระนิพานได้เลย จะปรับปรุงให้เป็นพระโสดาก็ไม่ได้ท้าสกิทาคาก็ไม่ได้พระนาก็ไม่ได้พระอรหันต์ก็ไม่ได้แล้วจะปรับปรุงให้เป็นพระนิพพานได้อย่างไงนอกจากกิจดวงเดียวเท่านี้เป็นผู้สามารถที่จะเป็นตปได้อด้วยการประพูดปฏิบัติกําจัดสิ่งที่ปกปิดกบาบังมืดมิดปิดตาอยู่ภายในจิตใจนี้ออกได้ไปเดิมหนักความสงบมาเอง ที่ไม่สงบ ก, ก็เพราะสิ่งเหล่านี้เป็นผู้ก้อควรเป็นผู้ดุ่แย่ให้วุ่นวายอยู่ทั้งวันทั้งคืนเดินเดินนั่งนอนหาแต่เรื่องวุ่นวายตัวเองก็คือเรื่องของกิเลสถ้าให้คนสงบได้อย่างไรเรื่องของกิเลสยิงไม่ใช่ของดีกันไหนแต่อะไรมาสมแล้วที่พระพุทธเจ้าทรงตำห น, นิตลอดน่ะสัตว์ทั้งหลายไม่เป็นหน่งนั้นถือ่าเป็นของดีนี้ก็ต้องได้บ่นกันอื้อไปหมดมันดีทั้งได้บ่นกันการที่จะได้บ่นตำนานนี้ก็เพราะเรื่องของกิเลสพาให้ได เกิดทุกข์เกิดความลำบากให้โดยบน่นจึงสร้างสมณะธรรมขึ้นที่นึ่งสมณะแปล ว, ว่าความสงบเมื่อสงบแล้วก็จะค่อยกลายเป็นสมณะที่หนึ่งที่สองที่สามที่สี่ขึ้นไปโดยลาดับภายในจิตใจของเราการปฏิบัติเพื่อบรรลุสมณะทั้งสีน่นี้ปฏิบัติอย่างไรนาธรรมจะกกับวัฒนสูตรท่านแสดงไว้เป็นรวมไม่ค่อยละเอียดอออะไรมากนะ ทุกขังอริยสัจจังนี่สัจธรรมอันหนึ่งท่านว่างนั่นชาติไปดูขาชราไปดูขามานำไปดูขังโสกกะไปเทวทุกโรมราสุปายาติเลื่อยว่าไปนี่เป็นเรื่องของความทุกข์ทุกนี้ที่แสดงตัวมานี้มีสาเหตุเป็นมาจากอะไร ก็เป็นมาจากความเกิดเกิดเป็นต้นเหตุที่ให้เกิดความทุกข์อย่างนี้ตัวเกิดจริงๆเป็นต้นเหตุมาจากอาวิชาปัญยาสร้างขารน่ะแล้วอะไรที่ทำให้เกิดผมไม่ใช่อวิชาปัญยาสร้างขาลัจะเป็นเพอะไรท่านขึ้นตรงนั้นเลยถ้าอาจารย์มั่นท่านแยกองนี้อีกน้าฟังมากถ้าว่าทิติปูปตังอวิชาปัญญาสร้างขาลัน่ะอวิชามันไม่มีที่ที่อยู่ที่อาศัย ไม่มีที่เกิดไม่เกิดได้อย่างไรมันอยู่ได้อย่างไรก็ต้องอาศัยถิติภูตังคือธรรมชาติที่เป็ น, ปนอยู่คือธรรมชาติที่รู้ทันว่าหมายถึงใจท่านพูดแยกออกมาทิติภูตังอวิชชาปัญญาสร้างขารานี่เป็นสาเหตุที่จะให้เกิดเป็นภพเป็นรรชาติขึ้นมาอันนี้แหละอันนี้มีแยกออกเป็นชามประเพณ ทันธีรากาา็สหาตาตาตา ต, ตรายพินาลิีเตยรี อ, อย่างดังการกามตาราัตนาภวสาวิภวตัญหานี่ยทนว่านี่แหละคือสมูทไทยสมมติสมมตยิยอย่างอธิยศาสตร์จังสมุติไยอริยศาสตจังก็ได้นี่ก็เป็นอธิยศาสตร์แล้วจะนำอะไรเข้ามาแก้สมูทไทยในศาสตร์นี้ล้นวนแล้วตั้งแต่ สห็นที่จะทําจิตให้ขุนมัวเป็นเรื่องเป็นธรรมชาติที่กวรจิตใจให้ขุนมัวจนเป็นตมเป็นคนได้ทั้งนั้นในบรรดาสมุทไทยมากน้อยที่กล่าวมานี้การมัตันหาก็ตามภาวะตันหาก็ตามวิภาวะตันหาก็ตามเป็นความหิวความโหยความทนอยู่ด้วยความทาสุขสบายไม่ได้ความหาความสงบสุขอยู่ด้วยลําพังตนเองไม่ได้เพราะคามัตตันหาต้องหิวต้องโหยต้องดิ้นต้องรน ดิ้นไปทางโน้นดิ้นมาทางนี้ดิ้นประทันหนึ่งเป็นการปันหาดิ้นมาถึงหนึ่งเป็นภาวะตันหาดิ้นประทันหนึ่งเป็นนิวาตันหามันล้วนแล้วตั้งแต่ความหิวโหวยที่จะทําให้จิตใจดิ้นด้วยอำนาจของกิเลสเหล่านี้เป็นเครื่องกดขี่บังคับหรือรีบไถ่พูดง่ายๆเอาอย่างนี้นี่ทุกจิตที่ทรงตัวมาได้ตามปกติของจิตก็เพราะสิ่งเหล่านี้เป็นผู้ทําลาย หร่เป็นผู้ก่อกวนเป็นผู้ยุ่ยแย่เป็นผู้วุ่นวายอยู่ตลอดเวลาหาความสงบไม่ได้นี่แล้วเราจะแก้นี้ด้วยวิธีใดท่านก็สอนสมาธิสมาธิารกระโปรขึ้นเลยนี่มัคคะอาริยสัจจงเป็นเครื่องแก้ธรรมชาติที่ก่อกวนวุ่นวายให้จิตมีความระสำมลสายไปเพราะอานาจแห่งความหิวโหวยทนอยู่ไม่ได้ไม่ว่าศัตรูบุคคลถ้าเกิดความหิวโหวยขึ้นมาแล้วไม่ได้ทางสุจริตพอาทางสุจริตไม่ได้ทาง ที่แจ้งเอาที่รับเอาจนได้เพราะความหิวยมันบีบมันบังคับให้ต้องทํำนี่เพราความหิวโหยคือตหานทานนแต่แว่าความทะเยทยานความอยากหมายถึงความหิวนั่นเองมั น, บมนบับีบบังคับจิตใจให้ต้องเสืยบต้องคลนไปต่างๆนานาเพราะอยู่ใต้อนาถของมันต้องเป็นความทุกข์ทุกข์เพราะเหตุนี้เองแต่ทุกข์เพราะอะไรพราทุกข์เพราะสมูทไทยเป็นผู้ ลากผู้เข็นให้ถลอกออกเปิดไปทั้งวันทั้งคืนเดือเดินด น, นั่งนอนอาการที่คิดออกมาแง่ใด น, นี้่จะถูกสมุทัยนี่ฉุดลากเข็นเข็นไอีทั้งนั้นแล้วเราจะอะไรมาดับสิ่งหนินี้มากแก้สิ่งหนินี้ทั้งสัมมาทิฏฐิสัมมาตังณโงปสัมมาวจารสัมมากัมมันโตสัมมาอคิวโวสัมมาวายมุสัมมาสติสัมมาสมาธินี่แหละเป็นเครื่องมือที่ทันสมัยที่เหมาะสมที่สุด ที่จะต้องปราบปรามที่เดชทั้งสามประเภทให้สิ้นท่าลงไปจากจิตใจไม่มีเครื่องมืออื่นใดที่จะเหนือไปกว่ามัชฌิมาปฏิบัตานี้นั่นนี่ยขมาทิฏฐิความเห็นชอบเห็นอะไรถึงชอบเวลานี้มันเห็นผิดทั้งนั้นการตัณหาคือความเห็นผิดเพราะว่าตัณหาคือความเห็นผิดนี้เพราะว่าตัณหามันล้วนแล้วตแต่เป็นเรื่องของความผิดทั้งนั้นมันถึงได้เป็นกองถูกอืม มันทำไมมันถึงชอบอันทำไมมันถึงรักรักก็เหตุอะไรนี่ปัญญาโค่นลงไปมันก็ไม่หนีจากกายเหมือนกันรักกับรักายนี้ก่อนอื่นรักกายนี้ก็รักกายนั้นระหว่างการมาตัญหามันอยู่ที่ตรงนี้แยกหาเหตุหาผลออกมาโน่นักเพราะอะไรรักเนื้อรักหนังรักเอ็นรักกระดูกรักผมรักขนงั้นเรืของใครของเรามันไปเหมือนกันนี่รักอะไรมันแยกให้เห็นเนี่ยกิริยาที่แยกหรือทําการแยกเช่นนี้ท่านเรียกว่ามัก พัมมาทิฏฐิคือปัญญากายกลองกักลองดูหาสิ่งที่มันยึดมันถือว่ามันยึดถือเพราะอะไรมีสาระคุณอะไรมันถึงได้ยึดไปถือความยึดถือแทนที่จะเกิดผลเกิดประโยชน์เกิดความถูกความสมามันกลายเป็นไฟขึ้นมาทั้งกองให้เกิดความลําบากลําบนทนทุกข์ทรมานเพราะความยึดความถือความยึดต้งถือมาจากความนั่งพันตุดเข้าใจว่านั่นเป็นเรานี้เป็นของเรามันเป็นความผิดไปทั้งนั้น ปัญญาจึงต้องตามแก้ให้เห็นตามความจริงของ ม, อมันืำเป็นสอนให้พิจารณากายอกายและตาสติอ้าวพิจารณาไปทั้งทางนอกทางในข้างบนข้างลา่างภายในภายนอกพิจารณาให้ละเอียดทั่วถึงําแล้วจาเล่าจนเป็นที่เข้าใจแต่มแจ้งชักเกดเจนนี่เรื่องของปัญญานี่เป็นเครื่องป ร, ราบความอยากความหิวความกะหายซึ่งเกิดขึ้นจากอํนนานาจของกิเลสไม่มีอันใดที่จะระงับ หรือดับถิ่นนี้ให้มันหายความอยากนี้ได้นอกจากสัมมาทิฏฐิสัมมาสังกป ร, ปรอันเป็นองค์มักแปลนี้เท่านั้นนี่มักข้าอธิษฐานนี่เครื่องมือดำเนินก็ดำเนินตามนี้ปัญญาเป็นเครื่องมือคา้ปันลงไปพิจน่ณากงไหนที่มืดที่ดำกงนั่นแหละอรรพิธมันอยู่ที่ตรงนั้น ปัญญายังตามไม่ถึงที่ตรงไหนตรงนั้นจะจเป็นตัวเป็นตนเป็นสัตว์เป็นบุคคลขึ้นมาเป็นเราเป็นเขาเป็นของเราของเขาขึ้นมาที่ตรงนั้นปัญญาสอดแทรลงไปให้เห็นลงไปตามความริงแล้วเปิดเผยขึ้นมาอืไม่มีธรรมชาตไม่มีบุคคลไม่มีสัตว์ไม่มีเขาเราไม่มีมีมีได้ยังไงปัญญาอย่างลงถึงความปิ่นเนี่ยึงทีนี้เป็นเรื่องจอมปอมจำปอมเกิดมาจากที่เด็กทุนพูดเสพสังเท่านั้นไม่ไม่ใช่ ผู้อื่นใดที่จะมาเกี่ยทีนี้ปัญญาตามล้างชะล้างให้สะอาดลงไปในของครปกเหล่านี้อืถอนตัวขึ้นมาที่ถูกกดท่วงพรอบหน้าอุปทานมาเป็นเวลานานปัญญาเปนผูดถอดถอนขึ้นมาอมถอนกรรมสิไม่ปักปันเศษแดนเอาว่านั่นเป็นเราทั้งหลาเศษแดนทังเราที่ทําให้ความเกิดความทุกข์ความลําบากแต่พ่ออย่างยิ่งก็ในวงแห่งขันทั้งห้านี่ยมันเป็นเศษแดนที่เราปักปันเราอื นั่นเป็นเรานิ้วเป็นเราเมื่อเป็นเราหนังเป็นเราเอ็นเป็นเราก็ดูกเป็นเราแขนเป็นเราขาเป็นเราเป็นของเราอาวะทุกทิ้นทุกส่วนเป็นเราเป็นของเราเต็มอยู่นี้หมดเนี่ยวางไลยนี่มันตักปันเก็ดแดดเะทั้งๆที่สิ่งตรงนี้เขาไม่รับทราบรับรู้อะไรจากเราแต่เราไปปักปันเจล็ดแดดเราเมื่อมีอะไรมันล่วงล้ำหรือเนียนอะไรมาตั้มตักตั้มพันเกิดความเจ็บความ ไม่สบาขึ้นมาก็เกิดความทุกข์ขึ้นภายในจิตใจยอยีกนอกจากเกิดความทุกข์ขึ้นภายในกายแล้วยังเป็นทุกข์ภายในจิตใจยยเพราะความรักความสงวนความปรับปันจิตแด น, นนั้นเป็นต้นเหเ น, นี่ยต้องพยยิจารณาให้เห็นตามความจริงของมันหนุนท่านเรียกว่าพิจารณาสัว์จธรรมด้วยปัญญาสัมมาทิฏฐิสัมมาสังกัปโปะความดําริชนิดใด ที่เป็นไปเพื่อการถอดถอนกิเลสิยาปะะสังกโปเป็นกว่าอืยิงสาสังกโปเป็นกว่าไม่พยายามไม่เบียดเบียนเรื่องของกิเลสเ ป, เป็นการพยายามถึงการเบียดเบียนตยัวนโดยหลักธรรมชาติก่อนที่จะระบาดออกไปกระเทือนคนอื่นต้องกระทบกระเทือนตนตเสียก่อนเดินตนเสก่อน ข้อความที่ิดของผิดเพื่อหน้าทั้งเด่นนนแหละสมาสังกรปรจึงต้องแก้กันตรงนี้รวมกันแล้วสมาสังโปรก็สมาธิมันก็เหมือนกับว่าเชือกสองเกลียวที่ฟ่ันกันเข้าเป็นเกลียวเดียวนั่นเองแล้วเป็นเชือกเส้นหนึ่งขึ้นมามีกําลังท่านแยกอาการเฉยๆแล้วก็คือเชือกหนึ่งเส้นหรือเชือกเส้นหนึ่งนั่นแหละรวมทั้งแปดนั้นก็มาเป็นเชือกเส้นหนึ่งนั่นแหละ ปัญญาเราจะพิจารณาอะไรทํามาพิจารณาแก่สิ่งที่ทั่วพันธ์จิตใจของเราอยู่เวลานี้เราแก้ที่ตรงนี้เรียกว่าสัมมาทิฏฐิสัมมาของกระโปะนี่แหละมัดเท่านั้นที่จะแก้ที่เหล็กออกจากจิตใจของเราได้เนี่ยถือร่างกายหรือถือขันธ์นี้ เป็นเวทีค้นคว้าด้วยสติปัญญาต่อสู้กับความรุ่งหลงของตนซึ่งเป็นคู่ต่อสู้กันบนเวทีคือรูปเวทนาสัญญาสังขารวิญญาเอาตรงนี้เป็นเครื่องพิสูจน์หรือพิสูจน์สิ่งลรานี้อันนี้เป็นป้าหมายแห่งการพิจรารณาใเห็นตามความจริงขึ้นมา เทไปที่อื่นไม่สะดวกใจถ้าเทศลงตรงนี้แล้วมันถนะเพราะนี้เป็นตัวจริงวิเลศ ก, ก็อยู่ที่ตรงนี้มรรคก็อยู่ที่ตรงนี้ฤทธิ์ชาจิธรรมทุกสมุทัยก็อยู่ที่ตรงนี้นิโรธกับมรรคก็อยู่ที่ตรงนี้ดับวิเรศไปโดนดับดับแล้วนิโรธคือความดับทุกข์จะไม่เรียกว่าจะไม่ดับได้ยังไงถ้าติปัญญาเป็นเป็นผู้ฟาดฟันวิเรศ กิเลสทิพหายตายลางไปก็เป็นการดับทุกข์ะเด็้วยลำดำับหนึ่เนี่ยใครจะไปตั้งหน้าตั้งตาทําวิธีดทําการดับทุกข์โดยไม่ต้องดําเนินมารเป็นไปไม่ได้ท่านบาอกว่านี่ก็ว่าควรทําให้แจ้งเจ้าอะไรไปทําถ้าไม่เอามรรคไปทําให้แจ้งขึ้นมาสิมิโรลเราจะพยายามไปทํำนิโลให้แจ้งให้เฉยโดยไม่อาศัยมากคเปนเครื่องบุกเบิกทางแล้วไม่มีทาง พราะทำนี้เป็นอาการท่านสอนไห้ตามอาการเฉยๆหลับใหญ่แล้วพอจอลงไปในจุดหนึ่งจะกระเพื่อนถึงสัจธรรมทั้งสี่นั่นแหละทำงานพร้อมกันเหมือนกับจักตัวเลขตัวใหญ่ทำงานพร้อมกันในโรงมานออยูยกันเราไปแยกไปแยกนั้นเราแล้วเท่านั้นแหละเราต้องพิจารณาลงไปให้เห็นชั้าใครเห็นชัดถ้าเห็นรูปชัดและเวทนาเกิดขึ้นก็ไม่หวัน่นไม่ไหว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 ปัญญาที่มีทางที่จะทราบได้ตามสิ่งที่มีอยู่เพราะไม่ใช่เป็นของลี้ลับเป็นสิ่งที่เปิดเผยด้วยสิ่งที่มีอยู่ปรากฏขึ้นมาของอขันนั่นนั้นๆอู ป, ประขันก็เห็นอยู่ทุกวันทุกเวลาพาหลับพานอนพาขับพาถ่ายพายืนพาเดินก็พารูก ป, ประขันนี่เองพาเลถ้าอยู่เหตุนาขันก็ทุกเวลาเดี๋ยวนี้มันก็แสดงอยู่ให้เรารู้อยู่ ไม่สุขก็ทุกมันสลับเปลี่ยนกันไปมาเนี่ยล่ะสําคัญที่ใจอย่าให้ทุกข์ด้วยทุกข์ให้ทราบว่าขันนี้มันเป็นไอ้จังทุกข์คาตาจะให้จิตไปยุ่งกขาเขามันก็ไม่เป็นทุกข์ทั้งเวทนาเวทนาเทศทุกวันเวทนาเอาให้เข้าใจที่เรศมันเกาะแน่นอยู่กับขันห้านี้่เลยไม่มีวันมีคืนมีปีมีเดือนไม่ทราบว่าของเก่าของใหม่มันเกาะซะจนแน่นเกาะมากี่วันกี่ปีกี่เดือนเพราะนั่นการ พิจารณาวันหนึ่งวันหนึ่งเวลาหนึ่งจริงไม่พอการเทศวันหนึ่งเวลาหนึ่งจริงไม่พอต้องเทศซ้ําเทศซ้ํากันให้มันเข้าใจให้เป็นที่แน่นอนพิจารณาก็ให้พิจารณาจนเป็นที่เข้าใจแน่นอนแล้วมันต่อยเองเออให้เห็นชัตุ เ, เวทนาทุกขเวทนามีอยู่ที่ไหนมั่งมีที่ไหนก็คือทุกขเวทนาจะให้เป็นอื่นไปไม่ได้ ต้องเป็นธรรมชาติความจริงเขาอยู่เช่นนั้นสัญญากับจาได้เราเคยจํามาเท่าไหร่แล้วตั้งแต่มันเกิดจนปั่นไม่มีเล่าหาอะไรท่าว่ามันเป็นตนเป็นตัวเป็นสัตเป็นบุคคลจริงๆแเราเอามาใส่ตู้โอคงจะไม่มีตู้ที่ไหนใส่ล่ะเพราะมันจำไม่อยู่ไม่ถอยแต่พอจําแล้วมันผ่านไปผ่านไปผ่านไ ป, น ไ, ปไม่มีอะไรเหลืออยู่เลยเนี่เอาสาระแต่งสารอะไรกับเสียงนี้ทั้งขานตรุงวันย่างําคืนยังรุ่ง ตรุงซะจนร้อนหอก็มีถ้าปรุงมากๆตรุงซะแทบหัวใจจะไม่ทำงานเพียไปหมดอสังขารคือความปรุงถ้าไม่ระงับมันด้วยสติปัญญาไม่มีทางระงับแล้วตายด้วยมันได้จริงๆเช่นอย่างคนชีดมากเพราะความเสียใจยเรื่องของยิเงใมันเอาสังขารเป็นเครื่องปรุงเป็นเครื่องมือ มันผลักดันออกมาให้ปุงไม่หยุดไม่ถอยสําคัญนั้นสําคัญนี้ทั้งสัญญาทั้งขันเป็นเครื่องมือของวิเศษแล้วก็พุ่มลงไปที่หัวใจของเราให้เกิดความทุกข์ความทรมาน น, น้อยแค่นน้อยมากตอนนั้นเป็นบ้าได้คนเดาข้าวขานกินมากมันดี ห, หล้วลุทั้งขานวิญญาณเขายังรับทราบ รักษ า, าแล้วดับไปพร้อมดับประพ้อมในขณะทีรักษ า, าจากสิ่งที่มาสัมผัสมีสาระแต่งสารที่ไหนนี่เราหลงจริงล่านี้แหละเราไม่หลงที่อื่นนะภายนอกนั่นมันก็เป็นผลถอยได้ของกิเลสไปอีกประเภทหนึ่งเนั้นแนหะละรักใหญ่จริงๆมันอยู่ที่ตรงนี้เป็นต้องพิจารณาที่ตรงนี้นให้เห็นชัด นี่เรียกว่าดำเนินมัคคปฏิปทาหรือเรียกว่ามัคคัตว์เครื่องแก้วความรุ่งหลงความยึดมั่นถือมั่นของใจให้ถอดถอนตัวออกมาใจจะได้สบายหายห่วงจากสิ่งเหล่านี้มนันจอยวางได้แล้วอันนี้มันก็ไม่ถึงการท้งเวลามันก็ไม่สลาย ถึงแม้จะยึดถือมันตระท่าก็ตามเมื่อถึงการมันแล้วห้ามไม่ฟังมันก็ไปข้องมันเพราะเป็นคติธรรมนาซึ่งเรียกว่าทางหลวงใครจะไปกั้นกลางของห้ามมาได้มันต้องเดินตามทางหลวงตามคติธรรมนาซึ่งเป็นเรื่องใหญ่โตมากทั่วโลกดินแดนเป็นอย่งด้วยกันทั้งนั้นจะมาเรียกว่าเป็นทางใหญ่ทางหลวงได้อย่างไรใครจะไปปิดกั้นกันหลวงห้ามมันเป็นไปได้หรือพิจารณาให้เป็นไปตามความจริงของมันที่เรียกว่า โคนไม้ตามลมจะไปขัดขวางทำพระเจ้าให้รู้ตามความจริงแต่ก็สบายถ้าอยู่กับกิเลสใจยอยู่กับความวุ่นวายผลแห่งความวุ่นวายก็คือความทุกข์เราเคยเห็นโทษของมันมาแล้วที้ให้ใจยอยู่กับธรรมใจยอยู่กับสติใจยอยู่กับปัญญาใจจะได้มีความปลอดภัยใจจะได้มีความร่มเย็น ขึ่อวาที่เลแล้วม่ว่ า, าอยู่ที่ไหนพยายามแก้ให้หมดแก้ภายนอกได้แล้วเข้ามาแก้ภายในธาตุในขันภายในธาตุในขันแล้วแก้ภายในจิตด้วยปัญญาอีกเช่นเดียวกันจนกระทั่งทะลุอุโปโภคไปหมดไม่มีอะไรเหลือเลยคำวมาตนว่าตัวว่าสัตว์ว่าบุคคลมันหมดปัญหาไปในทันทีทันใดเมื่อที่เลนซึ่งเป็นตัวเสศษสันว่าเป็นสัตว์เปบุคคลได้สิ้นลงไปจากจิตใจแล้ว มันหมดไปเองคำว่าถัด ก, ก็ตามบุคคลก็ตามไม่คิดให้เสียเวลาเวลาจริงอย่างไรก็อยู่ตามความจิดล้นหนวนั่นคือผู้หายกังวลหายจริงๆหายที่ตรงนี้อันนี้ไม่ใช่สัจธรรมที่นี่สัจธรรมก็คือทุกข์กายทุกข์ใจมีเรียกว่าทุกขสัจสมูทยัยเรื่องของเกียรติหาสภวะทั้งมวล นี่เรียกว่าสมุทายศาสตร์มัดมีสมาธิิเป็นต้นสมาธิเป็นที่สุดนี่คือเครื่องมือเรียกว่าสัตจธรรมประเภทหนึ่งเป็นเครื่องแก้ที่เร็วคือตัวสมุทยัยให้หมดสิ้นไปนีโรดก็ดับไปตามปั่นโดยลํานังดับจนกระทั่งถึงรู้แจ้งแทงตลอดในสมุทัยตัวสําคัญซึ่งมีอยู่ภายในจิตใจโดยเฉพาะไม่มีอะไรเหลือแล้วนีโรดแสดงความดับทุกข์ เพราะกิเลสดับไปจากใจในขณะนั้นขณะนั้นอย่างเต็มผู้ผู้ที่รู้ว่านี้ทุกดับไปกิเลสดับไปเพราะสมุทัยเป็นเครื่องทำลายนั่นคือวิมุตติไม่ใช่สัจธรรมนั่นคือผู้บริสุทธิ์ไม่ใช่สัจธรรมทั้งสีนั้นสัจธรรมเป็นเครื่องก้าวเดินเท่านั้น เมื่อถึงจุดหมายปลายทางแล้วศาสนาธรรมทั้งสี่นี้ก็หมดความหมายไปตามหลักธรรมชาติของตนโดยไม่ต้องไปกดขี่บังคับให้สิ้นให้สุดให้หมดความหมายหากเป็นไปตามเรื่องเช่นเดียวกับเราก้าวจากบันไดขึ้นสู่สถานที่อันเป็นจุดที่ต้องการแล้วบันไดกับเราก็หมดความหมายกันไปดังนั้นนี่เรื่องของมรรคคือสติปัญญาเป็นต้น เมื่อทำหน้าที่ให้สมบูรณ์เต็มภูมิอิดได้ถึงขั้นแห่งความดุพ้นแล้วเรื่องสติปัญญาที่จะเพื่อแก้ไขกิเลสตัณหาสวัส์ทั้งมวลก็หมดปัญหาไปตางๆกันนี่นี่แหละคือความเด็ดของเราเองนี่แหละคือสมณธรรมหรือสมณะที่สุดยอดสมณะที่สื่ สั้มนที่หนึ่งคือพระโสดาชั้มนาที่สองคือพระสกิทาเจอมาเป็นลำดับลำดับสั้มนาที่สามพระนาคาเราเจอมาเป็นลำดับด้วยการปฏิบัติของเราสั้มนาที่สี่คืออรหัตอรหัตธรรมเราเจอเต็มภูมิด้วยมัคคับติปท า, าอันแหลมคมนี่ เป็นผู้ทรงแล้วซึ่งสมณะทั้งสิบรวยในพันธุจิตใจของเราเอตมังคารมุตตมังเป็นม ง, มงคลอันสูงสุดอยู่ที่ใจของเราเองไม่ต้องไปหาสิริมงคลมาจากไหนใจที่พ้นจากเครื่องกดทั้งหลายถึงความบริสุทธิ์เป็นภูมิแล้วนั่นแหละคืออันมงเป็นมงคลอันสูงสุดเป็นภูมิ ที่กล้ามาทั้งหมดนี้ไม่อยู่ในที่อื่นใดสัจธรรมก็ดีสมณะที่สี่ก็ดีหรือตั้งแต่ที่หนึ่งที่สองที่สามจนกระทั่งถึงที่สี่ก็ดีอยู่กับผู้ที่รู้รนี่แหละเป็นผู้ที่จะนับทราบเป็นผู้จะส่งไว้ซึ่งเป็มณะทั้งสี่และเป็นผู้ที่จะทําหน้าที่ ป, ปลดเรื่องตนออกจากสิ่ง กดขี่บังคับทั้งหลายจนถึงขั้นอิสระเสรีคือสั้นละที่สีรวมอยู่กับเรานี้ทั้งหมดสรุปแล้วอยู่กับผู้ที่รู้รเวลานี้งผู้นี้เป็นผู้ตายตัวอย่างยิ่งคงเส้นคงวาที่จะรับทราบทุกสิ่งทุกอย่างกิเลสก็ทําลายจิตนี้ให้คลิบหายไปไม่ได้จะทําลายสิไดได้ก็ตามกิเลสแต่ไม่สามารถที่จะทำลายจิตจะทํำจิตให้รับความลําบากนั่น เป็นไปได้แปลว่าจะให้จิดชิบหายเพราะกิเลสนั้นเป็นไปได้เพราะธรรมชาตินี้เป็นธรรมชาติที่ตายตัวหรือเรียกว่าคงเส้นคงวาเป็นแต่เพียงว่าสิ่งมาเกี่ยวข้องหรือมาคาดเข้าวทํ า, าทให้เป็นไปต่างๆนั้นเป็นไปได้เมื่อสนัดปัดหรือช้าล้างสิ่งเหนั้นหมดไม่มีอะไรเหลือแล้วธรรมชาตินี้จึงทรงตัวได้อย่างเป็นพูนนี่ถ้าเป็นบุคคลก็เรียกว่าสมณะที่สี่อย่างเป็นพูน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 ที่อื่นไม่มีที่ใดเป็นที่ดับการไปเกิดทกเกิดชาติก็คือผู้นี้แหละเป็นเชื้อแห่งพวกทางชาติเพราะเชื้อของพวกของชาติได้เจ็บพิเรยู่กับจิตจิตจึงต้องเล่ยเล่ร่อนร่อนไปเกิดในภพน้อยภพใหญ่ได้รับความทุกข์ความอัปมาโดย ล, ลาําดับตกำนาเพราะมีเชื้อพาให้ปไปมีเครื่องหนุนพาให้ไปเมื่อสนดัดตัดสิ่งปั ด, ยดัยหรือเครื่องหนุนอะไรเชื้ออะไรออกหมดแล้วจึงหมดปัญหา หมดลงที่ตรงนี้ขอให้พากั น, นพิจารณาเอาให้ได้ทำนี้เป็นได้มีได้สามารถรู้ได้เห็นได้ด้วยกันทั้งหญิงทั้งชายทั้งนักงปวดด้วยคาววสด้วยการปฏิบัติของตนไม่ขึ้นอยู่กับเพศกับใบอะไรทั้งสิ้นขออิติดเพียงเท่านี้